สำนวนแบบสืบคน้นภิกษุทั้งหลายเมื่ออะไรมีอยู่หนอะเพรา อ, อาศัยอะไรจึงเกิดสุขทุกข์ขึ้นภายในเมื่อรูปมีอยู่เพรา อ, อาศัยรูปจึงเกิดสุขทุกข์ขึ้นภายในเมื่อเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมีอยู่เพรา อ, อาศัยเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ จึงเกิดสุขทุกข์ขึ้นภายในภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายเข้าใจอย่างไรรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเที่ยงหรือไม่เที่ยงตอบว่าไม่เที่ยงก็สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นภาวะบีบคั้นหรือคล่องสบายตอบว่าเป็นภาวะบีบคั้น ก็สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นภาวะบีบคั้นมีความรวนแรงไปได้เป็นธรรมดาไม่อาศัยสิ่งนั้นจะพึงเกิดสุขทุกข์ขึ้นภายในได้หรือตอบว่าไม่ได้เลยเมื่อมองเห็นอยู่อย่างนี้ย่อมหายติดสํานวนแบบนี้ยังมีข้อความยักยืา อ, ออกไปอีกหลายอย่างซึ่งแสดงว่า ความยึดถืออัตตาสกยธิฐิและมิชาธิฐิต่างๆหลายอย่างเกิดขึ้นเพราะความถือมั่นเห็นผิดในขันห้าอย่างนี้ภิกษุทั้งหลายธรรมะเราแสดงไว้แล้วโดยวิจัยคือแสดงสติประธาน 4, สัมสมะประธานสี่อิธิบาสีอิน 4, 5, รีห้าพละห้าโพชงเจ็ด มักมีองค์แปดโดยวิจัยแต่กระนั้นก็ยังมีภิกษุบางรูปในธรรมวิไนนนี้เกิดความปริวิตตกแห่งใจขึ้นว่าเมื่อรู้อย่างไรเห็นอย่างไรหนออาสวะจึงจะมีแต่สิ้นไปเรื่อยๆอุทุชนผู้อวินีตักคือผู้ไม่ได้รับการศึกษายอมเห็นคล้อยรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ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 อันเนื่องมาแต่อวิชชาสัมผัสคือการรับรู้โดย อ, อวิชชากระทบเอาโดยในย่านี้แหลแม้สังขารนั้นก็จึงเป็นของไม่เที่ยงเป็นสังขตะคือของปรุงแต่งเป็นปฏิจจสมุปบันคืออาศัยปัจจัยเกิดขึ้นแม้ตัณหานั้นเวทนานั้นพัสสะคือการรับรู้นั้น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 ความสลัดออกไปทั้งในกายและในสุขเวทนาอยู่เมื่อเธอมองเห็นอย่างนี้ราคานุษัสที่มีในกายและในสุขเวทนาก็จะถูกละเสด้เมื่อภิกษุมีสติมีสัมปชัญญะอยู่อย่างนี้ถ้าเกิดเวทนาที่เป็นทุกข์ขึ้นเธอก็รู้ชัด ปฏิคานุสัยที freedom, Arrow, in, ่มีในกายและในทุกขเวทนาก็จะถูกละเสได้เมื่อภิกษุมีสติมีสัมปัชัญญ่าอยู่อย่างนี้ถ้าเกิดเวทนาที่ไม่ทุกข์ไม่สุขขึ้นเธอก็รู้ชัดอวิชานุสัยที่มีในกายและในอทุกขมสุขเวทนาก็จะถูกละเสได้